วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมการอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เพราะการปฏิบัติการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางจนกว่าจะสำเร็จ ภารกิจการงานที่เราต้องทำกันเพราะชีวิตของเราก็จะเดินเข้าสู่ความจริงคือสัจธรรมได้แก่ความทุกข์คือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายกันเข้าไปใกล้เข้าไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่เตรียมตัวปฏิบัติทำกันไว้ไม่เตรียมทำกันบ้านถึงเวลาที่เราจะเข้าห้องสอบเราก็จะสอบไม่ผ่านกันแต่ถ้าเราหมั่นศึกษามั่นปฏิบัติกันอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องเราก็จะได้ได้ทำการบ้านที่จะ ซ้อมให้พวกเราได้เข้าสู่ห้องสอบได้และผ่านห้องสอบไปได้อย่างสบายอย่างง่ายดายชีวิตของพวกเรานี้เกิดมาก็เพื่อที่จะมาทำภารกิจอันนี้เท่านั้นเพราะเป็นภารกิจที่สำคัญที่ที่ ที่ที่กระทบกับใจเราที่มีผลต่อจิตใจของเราอย่างแท้จริงก็คือความทุกข์หรือการดับทุกข์นี่เองภารกิจอย่างอื่นที่เราทำกันเช่นทำมาหากินหาเงินหาทอง หาปัจจัยสี่เพื่อมาดูแลร่างกายอันนี้เป็นภารกิจที่ที่ไม่มีผลต่อการดับทุกข์ของจิตใจของพวกเราและการหาความสุขผ่านทางร่างกายหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพานี้ ก็ไม่ได้เป็นการที่จะทำให้ความทุกข์หมดไปจากใจแต่กลับจะทำให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปภายในใจถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยสอนมาคอยเตือนพวกเราพวกเราก็จะถูกความหลงหลอกให้ทำภารกิจทางร่างกายและ ภารกิจการหาความสุขผ่านทางร่างกายเราจะไม่รู้ว่าภารกิจที่แท้จริงของเรานั้นคือการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในแดนของพระพุทธศาสนาก็ตามแต่ก็ไม่มี ปัญญาพอที่จะรับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นคุณค่าความสำคัญของการศึกษาและการปฏิบัติ ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้าได้เพราะถูกอำนาจของกิเลสตัณหานี่ครอบงำจิตใจทำให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัว เห็นว่าการทำภารกิจเพื่อรักษาร่างกายและการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เป็นภารกิจที่สำคัญของชีวิตจิตใจของเขาจึงไม่มีวันที่จะเล็ดลอดหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยมีแต่ผู้ที่ มีศรัทธาความเชื่อมีปัญญาที่เห็นคุณค่าของการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมีโอกาสที่จะเล็ดลอดหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ผู้ใดก็ตามที่ได้มีศรัทธา ที่จะศึกษาและจะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะเป็นผู้ที่จะได้หลุดพ้นจากกองทุกของการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วอยู่ที่ความวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรอยู่ที่สติปัญญาความรู้ความฉลาด ที่มีต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนื่องจากในอดีตได้สะสมมาไม่เท่าเทียมกันนั่นเองถ้าได้สะสมความภาคเพียรนามากได้สะสมสติปัญญาความรู้ความฉลาดหนามากก็จะสามารถทำภารกิจนี้ให้เสร็จได้ ไว่กว่าเร็วกว่าผู้ที่มีความภาคเพียรมีสติปัญญาที่น้อยกว่าแต่ไม่ว่าจะมีสติปัญญามีความเพียรมามากแล้วหรือน้อยก็ตามก็ยังสามารถที่จะทำเพิ่มได้ผู้ที่มีทำมาน้อยก็สามารถที่จะทำให้มากขึ้นได้ ขอให้ถือหลักความไม่ประมาทเป็นที่ตั้งของการทำความเพียรเถิดอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งอย่าไปคิดว่าชีวิตของเรานี้จะยืนยาวนานอย่างที่เราคิดกันเพราะว่าความตายนี้สามารถมาเยือนกับคนทุกอายุได้ทุกเพศทุกวัย ความตายนี้ไม่ได้อยู่กับคนแก่คนอายุเก้าสิบอายุร้อยปีความตายนี้อยู่กับทุกๆคนคนอายุสิบปีสิบเดือนสิบวันสิบชั่วโมงก็มีความตายมาเยือนได้ดังนั้นขอให้เราคิดอย่างนี้ไว้อยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้เห็นคุณค่าของเวลาที่เรามีอยู่ในขณะนี้ ว่าเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่เราต้องรีบตักตัวรีบเฉวยโอกาสเสียอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปผ่านไปโดยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่ได้เกลี้ก้าวหน้าไปในทาง การการหยุดด้วยการดับของความทุกข์นั่นเองนี่แหละคือเหตุที่พวกเราจึงต้องมันมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันเพราะการศึกษานี้จะทําให้เราได้รู้จักวิธีการที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเ ร, รู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว เราก็จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดไม่หลงติดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งการปฏิบัตินี้จะสามารถทําให้ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดด อ, อนนี้ติดอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าได้ศึกษาโดยเฉพาะกับผู้ที่ได้มีประสบะการณ์ ได้ผ่านการปฏิบัติมาอย่างโชคโชนแล้วก็จะมีผู้ที่คอยบอกคอยเตือนให้ระมัดระวังถึงจุดต่างๆที่จะหลงติดอยู่ได้ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติจึงควรมีครูบาอาจารย์มีผู้นำทางจะปลอดภัยกว่า จะง่ายกว่าผู้ที่ปฏิบัติตามลำพังโดยไม่มีครูอาจารย์ไม่มีผู้ที่มีประสบะการณ์ถึงแม้ว่าจะมีหนังสือของพระพุทธเจ้าศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ยังสามารถที่จะทำให้หลงได้เพราะการศึกษาจากตำรานี้เป็นการศึกษาด้านเดียว คือเราอ่านแล้วเราก็แปลความหมายของสิ่งที่เราอ่านนีการแปลความหมายของเรานี้อาจจะไม่ตรงกับความจริงก็ได้แต่ถ้าเราได้ศึกษากับผู้ที่ได้มีประสบะการณ์มาแล้วนี่ท่านจะสามารถอาบอกให้เราได้ทราบว่าความคิดของเราที่ถูก ต้องหรือไม่การปฏิบัติของเรานี้ไปถูกทางหรือไม่ผู้ที่บรรลุธรรมส่วนใหญ่นี้มักจะมีครูบาอาจารย์ท้งนั้นนับตั้งแต่ภาษาวกองค์แรกกลุ่มแรกคือพระปัจจาวะคัคคีพระอาหารหันห้ารูปแรกของพระพุทธศาสนาก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้อบรมสั่งสอน แล้วก็ภาพอรหันต์หนึ่งันสองรห้ารูปที่ไปกราบเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันมาคะบูชาก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้อบรมสั่งสอนเป็นผู้อุปสมบทให้นี่คือความสำคัญของการมีครูมีอาจารย์อย่าไปคิดว่าเราเป็นผู้วิเศษที่จะสามารถปฏิบัติได้ โดยไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ถ้าเราเป็นผู้พิเศษจริงเราก็ต้องบรรลุมรรคผลนิพพานไปนานแล้วถ้าเรายังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานยังยังตะเกีกตะกายยังปฏิบัติแบบลุ่มๆุ ม, มดอนดอนอยู่ก็ควรที่จะเข้าหาผู้รู้เถิดอย่าถือทิฏฐิมานะความคิดที่คิดว่าตนเก่งตนเองฉลาด ไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้คอยอบรมสั่งสอนอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติที่ถือตนว่าตนเองฉลาดตนเองรู้มากและคนอื่นนี่รู้น้อยกว่าตนก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะ อมอบกายมอบใจให้กับครูบาอาจารย์ให้ท่านได้ชี้แนะแนวทางอบรมสั่งสอนได้อย่างในสมัยพระพุทธการก็มีพระอยู่รูปหนึ่งที่ชื่อว่าพระปูธิรัฐ ท, ท่านก็บวชมานานและท่านก็ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามามากจนถือว่าเป็น ตู้พระไตรไปโดกเคลื่อนที่ได้แต่ทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบกับพระโพธิลักษ์พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเสมอว่าโพธิลักษ์เธ่นี้เป็นใบรานเปล่าแถวไม่มีอะไรมีแต่ความเปล่าไม่มีความรู้จริงเห็นจริงอยู่ไปก็อยู่ไปแบบเปล่าเปล่าตายก็ตายไปแบบเปล่าเปล่าคือเป็นโมฆะบุรุษ ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการศึกษาพระธรรมคำสอนของตถาคตเลยเนื่องจากเนื่องจากเธอไม่ไปปฏิบัติไม่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่จะสอนให้เธอได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงเตือนอย่างนี้อยู่เรื่อยๆในที่สุดพระโพธิราชก็เลยตัดสินใจจะต้องเข้าหา พระที่เป็นผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมาแล้วจึงไปที่สำนักหนึ่งที่มีพระอารหันต์อยู่กันแล้วก็ไปกราบขอขอศึกษากับพระเถระผู้เป็นหัวหน้าของหน้าหัวหน้าสำนักพระเถระท่านก็ มีอุบายที่อยากจะทดสอบจิตใจของพระโพธิรัตว่ามีความอ่อนน้อมมีความตั้งใจที่จะศึกษาปฏิบัติตั้งใจที่จะรับคำสอนของของครูบาอาจารย์หรือไม่ท่านก็ปฏิเสธไปโดยอ้างว่าท่านมีพรรษาน้อยกว่าพระโพธิรัต แล้วท่านก็บอกว่าลองไปถามองค์อื่นดูท่านก็ไปหาองค์ต่อไปองค์ต่อไปก็ตอบเช่นเดียวกันไปหาองค์ไหนในสำนักก็ตอบเช่นเดียวกันหมดจนเป็นเหลืออยู่ที่สัมมาเนยอยู่หนึ่งรูปก็จะไปขอศึกษากับสัมมาเนยเพราะเชื่อว่าสัมมาเนยนี้ก็เป็นพระอารหันต์เหมือนกัน ตอนต้นสัมมนเนยก็ทำท่าทีว่าจะไม่อยากจะรับเพราะเห็นครูบาอาจารย์พระเถเะทั้งหลายท่านไม่รับถ้าไปรับเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการแหกข้อไม่ทำตามครูบาอาจารย์ก็พระหัวหน้าท่านก็เลยเกล่าวไปว่าสัมมนเนยทำไมเธอไม่สงเคราะห์ท่านบ้างพอสัมมนเนยได้รับสัญญาณจากพระ หัวหน้าธรรมนเนจรก็เลยรับเอาพระโพธิลัตนี่ไปเป็นลูกศิษย์เอาไปอบรมสั่งสอนแต่ก่อนที่จะอบรมสั่งสอนก็ต้องทดสอบดูว่าจะเป็นลูกศิษย์จริงหรือไม่จะมีความเชื่อฟังจริงหรือไม่หรื อ, อยังมีทิฏฐิมานะการถือเนื้อถือตัวมี ความดื้อร้านอยู่หรือเปล่าก็เลยเอามาทดสอบด้วยการให้ไปด้วยการใช้งานให้ทำงานอะไรต่างๆงานรับใช้เช่นล้างบาทรล้างกระโถนซักจีวรกวาดถูกุะติกวาดลานวัดหรือให้ไปหยิบของชิ้นนั้นชิ้นนี้มาให้บางครั้งก็ให้ลงไป ยิบของที่อยู่ในน้ำํำพอลงไปยังไม่ถึงจะได้หยิบของตัวเปียกไปเครื่องตัวสามเณรก็บอกว่าไม่เอาละเปลี่ยนใจไม่ต้องเอามาก็ได้ก็ดูอาการของพระโพธิลัทธิว่ามีอาการโกรธไม่พอใจหรือมีมานาทิฐิอะไรหรือไม่ก็เห็นว่าไม่มีอะไรเลย ยอมทุกอย่างยอมเชื่อฟังคําสั่งของครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าจะเป็นสา ม, มเณรก็ตามเมื่อสา ม, มเณรเห็นว่ามีความอ่อนน้อมมีความทำตนมีความไม่ดื้อรั้นมีความตั้งใจที่จะรับคําสอนเอาไปปฏิบัติสา ม, มเณรก็เลยสอนโดยยก นิทางของตัวตัวเหี้ยหรือตัวสัตว์ที่ที่อยู่ในขุดดินอยู่ในอยู่ในหลุมอยู่ในจอมปลวกเพราะว่าตัวสัตว์นี้มันมีทางออกอยู่หกทางด้วยกัน <c oughs> ถ้าอยากจะจับสัตว์ตัวนี้ <c oughs> ก็ต้องไปปิด ทางออกสักห้าทางปล่อยให้มีทางออกเข้าออกเหลือเพียงทางเดียวแล้วก็ให้ไปนั่งรอเฝ้าอยู่ตรงทางที่เปิดทิ้งไว้ไม่ช้าก็เร็วสัตว์ตัวนี้ก็จะต้องออกมาจากทางนี้อย่างแน่นอนหรือเข้าทางนี้ออกทางนี้ใจก็เป็นเหมือนกับตัวเหี้ยนี่เหมือนกันที่มัน มีทางออกอยู่ถึงหทางด้วยกันคือทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็ใจก็ให้ปิดซะห้าทางคือปิดตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็มาจดจ่อเฝ้าดูอยู่ที่ใจยู่ที่ความคิดปรุงแต่ง <c oughs> ดูว่ามันจะออกมาทางใดแล้วก็ หยุดมันจับมันได้ตรงตรงทางตรงนั้นถ้าไม่ปิดท่ห้าทางนี้ก็จะไม่สามารถที่จะจับมันได้เพราะเราเฝ้าอยู่ทางนี้มันก็จะไปออกทางนู้นได้ไปออกทางอื่นได้การปฏิบัติจึงต้องเริ่มต้นที่การสํารวมอินทรีย์คือสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองไม่ให้ดูไม่ให้ฟัง ไม่ให้เสพรูปเสียงกิน่นลดปุถพะที่ผ่านเข้าออกทางที่สัมผัสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่ปฏิบัติจึงต้องถือศีลแปดเพราะเป็นเป็นศีลสัสมลูสมสัมลูมอินรียหรือตาหูจมูกลิ้นกายไม่เสพความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช็นไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่รับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายไม่หลับนอนบนฟูกหนาๆไม่หาความสุขจากมหมอนห่สพและเครื่องบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาอรที่วิจิตรพิสดารที่สวยงาม ไม่ใช้เครื่องน้ำมันน้ำหอมเครื่องสำอางต่างๆเหล่านี้เป็นการเสกกามคือเสกรูปเสียงกลิ่นลดผธพระผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อจับกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของความวุ่นวายใจก็ต้องปิดทางเหล่านี้เพราะเป็นทางออกของตัณหาความอยาก คือการมตัญหานี่เองก็เลยต้องถือศีลแปดแล้วก็ต้องไปปีกวิเวกให้อยู่ห่างไกลเพราะถ้าถือศีลแปดแล้วไปอยู่ใกล้กับแสงสีเสียงไปอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพมันก็จะมีแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสนี่มาคอยยั่วยวนป่วนใจก็จะ ไม่สามารถที่จะสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ถ้าไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกดลดพพิ่นรสผพสะพะอยู่ตามป่าตามเขาไปเปรกวิเวกอยู่ตามลาพังก็จะไม่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกดลดพพิ่นรสผดสะพะที่จะกระตุ้นให้เกิดการ ม, มาตัญหาขึ้นมา กามตัรหาก็จะไม่มีออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เหลืออยู่ตรงที่ภายในใจอยู่ที่ความคิดปรุงแต่งก็ยังเกิดการมรตัรหาได้เช่นคิดถึงการรับประทานอาหารตอนบ่ายหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถือศีลแปแล้วแต่ใจก็ยังอดที่จะคิดถึงเรื่องอาหารไม่ได้หรือยังคิดถึง ตอนคืนเวลาอากาศหนาวเย็นมีความรู้สึกว่าเวก็อยากจะหาคนมานอนมากอ่อนให้ความอบอุ่นให้ความสุขกับตนตอันนี้ก็เป็นทางออกทางเดียวของกามตัณหาก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาคอยคุมกิเลสตัณหาตัวนี้ไว้เช่นถ้าอยากจะปรุงแต่งไปทางอาหารก็ใช้ให้ ใช้ปัญญาให้วงแต่งไปในทางปฏิกูลสัญญาปฏิกูลและสัญญาคือให้พิจารณาความเป็นปฏูลหรือปฏิกูลของอาหารคืออย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในปากที่ถูกบดถูกเคี้ยวที่ผสมอยู่กับน้ำลายแล้วคลายออกมาดูว่าน่ากินไหมน่ารับประทานไหม หรือเวลาที่ลงไปรวมกันอยู่ในท้องหรือเวลาที่ถ่ายออกมาจากทวารหนักนี่ก็เป็นอาหารในรูปแบบต่างๆที่เรียกว่าเป็นอาหารเลยปฏิกูลและสัญญาคือเป็นภาพที่ไม่น่าทำให้เกิดความหิวเกิดความอยากถ้าสามารถพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาได้อย่างตามสมา่าเสมอ เวลาเกิดความอยากอาหารก็จะสามารถใช้ความเป็นปฏิกูลของอาหารนี้มาดับความหิวความอยากอาหารได้เพราะผู้ปฏิบัตินี้มักจะต้องถืออย่างน้อยก็ถือศีลแปดคือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรือถ้าเข้มข้นกว่านั้นก็รับประทานเพียงครัง้งวันละครั้งเดียวหรือว่าเวลาที่อยากจะเร่งความเพียนก็อาจจะ ถึงกับอดอาหารทีละสามวันว่างห้าวันว่างเวลานั้นตันหาความหิวอยากได้อยากรับประทานอาหารมันจะรุนแรงถ้าไม่มีเครื่องม้เครื่องมือมาจัดการกับมันก็จะไม่สามารถที่จะบำเพ็ญเพียรในระดับต่างๆเหล่านี้ได้นี่คือทางออกทางเดียวของกิเลสตันหา ถ้าเราไปอยู่ในที่ห่างไกลจากอาหารห่างไกลจากสิ่งยั่วยวนกวนใจต่างๆมันก็จะออกมาทางความคิดปรุงแต่งถ้าเรามีสติคอยจดจอ่อคอยควบคุมความคิดเบื้องต้นเราก็ควบคุมด้วยการใช้การบริกรรมพุทโธไปก่อนเพราะว่าถ้าเรายังไม่มีสมาธินี้การจะใช้ปัญญานี้มันจะ ไม่สามารถทำได้เพราะว่ากิเลสจันหามันมีความรุนแรงมากจำเป็นที่จะต้องลดความรุนแรงของมันลงไปก่อนด้วยการใช้กําลังของสมาธิคือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าให้มันคิดลดความคิดปรุงแต่งลงให้น้อยลงไปจนให้มันหยุดไปเป็นพักๆให้ได้ก่อน พอหยุดเป็นได้เป็นพักๆแล้วเวลามันโผล่ขึ้นมาแต่ละครั้งมันจะไม่แรงเหมือนกับเวลาที่มันไม่เคยพักเลยเช่นรถที่วิ่งลงเขาถ้ามันไม่เคยหยุดเลยมันก็จะมีความเร็วความแ ร, มรงมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราคอเยเหยียบเบรกให้มันหยุดเป็นพักๆไปความเร็วความแรงของรถที่วิ่งลงเขาก็จะไม่แรงมาก ทันใดใจที่ยังไม่มีสมาธิก็จะมีความแรงกำลังของกิเลสตัณหาจะมีความแรงมากซึ่งที่ปัญญาที่เรามีอยู่กันนี้จะไม่มีความสามารถที่จะหยุดมันได้เลยเราต้องหยุดมันด้วยสมาธิให้ได้ก่อนเพราะว่าเวลากิเลสตัณหามันคิดปรุงแต่ง มันก็เอาความคิดูงแต่งที่ปัญญาจะเอามาใช้มันเป็นเครื่องมืออันเดียวกันเพียงแต่ว่าคิดไปในทางไหนถ้าคิดไปในทางความอยากรับประทานมันก็คิดไปในทางกิเลสตัณหาพอมันคิดไปในทางกิเลสตัณหาแล้วจะดึงมันมาคิดทางปฏิกูลสัญญามันก็คิดไม่ออกไม่มีกำลังที่จะดึงมันกลับมาทางนี้แต่ถ้ามัน มันหยุดคิดแล้วมันพักแล้วแล้วพอมันเริ่มจะคิดไปในทางตัณหาก็สามารถดึงเอาความคิดนี้มาคิดทางปัญญาได้เป็นความคิดอันเดียวกันอยู่ที่ว่าจะคิดไปในทางไหนคิดไปในทางกิเลสตัณหาหรือคิดไปในทางปัญญาแต่ถ้าไม่มีการหยุดเลยความคิดนี้ก็จะคิดไปในทางตัณหาตลอดเวลาคิดไปในทางอวิชชาปัจจยาสังขาร ดังนั้นขั้นตอนเราจึงต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนเหมือนกับเราขับรถถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนทิศทางเราเราเดินทางไปทางนี้แต่เรารู้ว่าเราไปผิดทางเราต้องการจะยูเทิร์นกับกับรถขั้นแรกเราก็ต้องจอดรถให้ได้ก่อนหยุดรถให้ได้ก่อนถ้ารถไม่หยุดไปยูเทิร์นเดี๋ยวมันก็พิกคว่ำเาอยูเทิร์นไม่ได้ ต้องเบรกล้ให้หยุดก่อนพอหยุดแล้วค่อยเลี้ยวกับไปอีกทางหนึง่งตอนต้นต้องหยุดความคิดที่คิดไปในทางกิเลสตัณหาให้ได้ก่อนพอหยุดได้แล้วขั้นที่สองก็จะให้มันคิดไปในทางปัญญาเพื่อที่จะได้ล้มล้างความคิดที่จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาให้มันหมดไปถ้าไม่อยู่เทิร์นเพียงแต่เบรคันไว้พอถอนเบรกมันก็จะวิ่ง ต่อไปอีกวิ่งไปในทางที่ผิดได้อีกวิ่งไปในทางกิเลสตัณหาต่อได้เช่นได้สมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ไม่คิดไปในทางปัญญามันก็จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาต่อนี่แหละคือการประเฏิบัติหลังจากที่ได้สมาธิแล้วนีนพอออกจากสมาธิแล้วนีนที่ต้องอยู่เทินแล้วต้องเปลี่ยนความคิดของเรา ถ้าคิดถึงอาหารในจานก็ต้องคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องที่อยู่ในโถโถซ้วมให้มันคิดอย่างนี้ไปแล้วต่อไปความอยากจะรับประทานอาหารนอกเวลาของการรับประทานก็จะไม่เกิดหรือถ้าเกิดก็จะดับมันได้และเราก็จะสามารถปฏิบัติข้อวัดอันเข่งครัดของเราได้ เช่นถือศีลแปดไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วหรือรับประทานมื้อเดียวหรืออดอาหารครั้งละสามวันห้าวันเราก็จะทำได้เพราะว่าจะไม่มีอความหิวความอยากอาหารมาเป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความทรมานายให้แก่เรานี่คือเรื่องของการใช้ปัญญาหลังจากที่ ได้สมาธิแล้วถ้ายัางไม่ได้สมาธิก็ยังจะไม่มีวันที่จะดึงใจมาพิจารณาเรื่องปฏิปุณสัญญาของอาหารได้ <c oughs> ก็ต้องเจริญพุท ธ, ธานุสติหรือสติบทใดบทหนึ่งก็ได้ที่มีอยู่ถึงสี่สิบบทด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบบท สติหลังนี้เป็นที่เบรกใจเป็นที่หยุดใจได้พุทธานุสติก็เบรกใจได้ธรรมานุสติก็เบรกใจได้สังขานุสติก็เบรกใจได้อนาปน า, า, า, มมนานุสติก็เบรกใจได้กายคตาสติก็เบรกใจได้อมรณานุสติก็เบรกใจได้แต่ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักใช้เอ กรรมฐานอย่างใดชนิดใดให้ที่ให้เหมาะกับภาวะเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับตนอันนี้ท่านก็เคยแสดงไว้ว่าเช่นเวลาเกิดกามารมณ์ขึ้นมาก็ต้องเจริญอสุภะกรรมฐานต้องให้คิดถึงภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายเวลาหิวอาหารก็ต้องคิดถึง ภาพที่ไม่สวยงามของอาหารเวลาเกิดความโกรธก็ต้องใช้เมตตาภาวนาอันนี้ก็ต้องซ้อมไปจเจริญไปถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้อันที่ถูกกับเราถ้าเราถูกกับพุทธานุสติเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแต่พอเกิดความหิวขึ้นมาอยากจะรับประทานอาหารขึ้นมา ถ้าพุโทโธเอาไม่อยู่ก็อาจจะต้องใช้อาหารเลยปฏิกูและสัญญามาแทนถ้าเกิดการมอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องพิจารณาอสุภะพิจารณาอาการสาสิบสองขึ้นมาถ้าเกิดอาการเหล่านี้แล้วใช้กรรมฐานต่ตางๆเหล่านี้ก็อยู่ในเชิงลักษณะของปัญญาอบรมสมาธิ อพาสุภะนี้ก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งาหาเลปฏิจูุลและสัญญาก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งหรือมานานุสตินี้ก็เป็นปัญญาเห็นความตายเห็นความแม่เที่ยงของสังขารร่างกายกรรมฐานมีจึงแ บ, บ่งเป็นสองชนิดที่เป็นที่ที่ตั้งของปัญญากับเป็นที่ตั้งของสมถะสมาธิ ถ้าบริกรรมพุโทโธอย่างนี้จะเป็นแต่สมาธิอย่างเดียวจะไม่เป็นปัญญาถ้าธรรมะธรรมานุสตินี้ก็เกิดอยู่กับธรรมที่พิจารณาถ้าธรรมานุสติก็จะเป็นปัญญาได้แต่จะเป็นอะไรก็ตามอย่างน้อยที่สุดก็จะสามารถที่จะระ ง, งับความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจระ ง, งับความ ยาต่างๆได้ชั่วข่าวถ้าเป็นสมถะก็จะระ ง, งับได้ชั่วข่าวถ้าเป็นปัญญาก็จะระ ง, งับได้อย่างถาวรเช่นถ้ามีความหิวอาหารทุกครั้งเราสามารถใช้อาหารเลยปฏิกรูรสัญญามาดับได้ทุกครั้งต่อไปก็จะไม่มีความคิดที่อยากจะรับประทานอาหารนอกเวลาจะรับประทานอาหารเหมือนกับรับประทานยา เมื่อถึงเวลาก็รับประทานเมื่อไม่ถึงเวลาก็จะไม่คิดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารเพราะถ้าจะคิดทีไรมันก็จะมียามาแก้ทันทีมีอาหาเรเลยปฏิกรรสัญยามาแก้ทันทีหรือการแก้การอารมณ์ก็เช่นเดียวกันถ้ามีอสุภะมาแก้มันก็จะแก้ได้อย่างถาวนแต่ถ้าใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธ มันก็จะดับชั่วคราวแต่มันก็ไม่ตายพอเวลาใดที่ไม่ได้บริกรรมพุทโธปล่อยให้คิดไปในทางกามารมณ์มันก็จะการการมณ์ขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าใช้อสุภกรรมฐานเวลามันจะคิดถึงการอารมอสุภกรรมฐานมันก็จะมาจัดการทันทีมันก็จะไม่มีกําลังที่จะคิดไปในทางทางได้ พอจะคิดทีไรก็จะถูกกำลังของอสุภกรรมฐานนี้มาหยุดทันทีนี่คือเรื่องของการบาเพ็ญที่สัมมาเนนได้สอนพระโพธิรัตให้สำรวมอินรีตาหูจมูกลิ้นกายให้ปิดวิเวกอยู่คนเดียวแล้วก็ให้เจริญสติเพื่อควบคุมความคิดปุงแต่ง ที่เป็นทางออกของตันหาของตัวเฮียอย่าให้มันออกมาการไม่ให้มันคิดไปในทางตันหาก็เป็นการฆ่ามันเองเบื้องต้นก็ฆ่าด้วยการใช้อารมณ์ของสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกไปหรือทําเวลาทําภารกิจต่างๆก็ให้ดูเฝ้าดูร่างกายทําภารกิจต่างๆนั้น ไม่ให้ไปคิดรุงแต่งถึงเรื่องต่างๆอันนี้ก็จะทำให้ใจได้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความนิ่งเข้าสู่ความเฉยคือไม่มีความโลภความโกรธความอยากต่างๆปรากฏขึ้นในขณะนั้นและเวลาออกจากความนิ่งความเฉยนี้เพราะต้องออกมาทำภารกิจเกี่ยวกับทางร่างกาย ก็ต้องมีปัญญามาคอยควบคุมความคิดตรุงแต่งไม่ให้คิดไปในทางกามตัฐหาภาวะตันหาละวิภาวะตันหากามตัฐนหาก็ใช้ถ้าเป็นเกี่ยวกับอาหารก็ใช้อาหารเลยปฏิสูรสัญญาถ้าเป็นเรื่องของการอารมก็ให้ใช้อสุภกรรมฐานถ้า ถ้ามีความอยากมีอยากเป็นก็ให้ใช้มรานุสติอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรเป็นแล้วเดียวมันก็จบไปไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนถาวรเป็นที่ก็สุขเดี๋ยวเดียๆพอไม่ได้เป็นก็ทุกข์มันก็จะตัดภาวะตัณหาได้หรือพิจารณาการเป็นอนัตตาของสภาวะต่างๆอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ ก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ก็เราก็จะดับทั้งภาวะตัณหาความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือดับวิภวะตัณหาความอยากไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายมันก็เป็นอนัตตามันมี สภาวะของมันมันเป็นไปของมันไม่มีใครที่จะมาสั่งมาห้ามมันได้มันจะต้องแก่จะต้องเจ็บมันจะต้องตายไปตามเรื่องของมันก็พิจารณาได้หลายลักษณะอนิจจังบ้างอนัตตาบ้างทุกขังบ้างแล้วแต่จะฉลาดมีเครื่องมืออยู่สามชิ้นเนี่ยเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็ลองหาลองใช้เครื่องมือสามชิ้นดูนี้ดูด ว่าใช้อนิจจังจะได้ผลไหมใช้ทุกขังได้ผลไหมหรือใช้อนัตตาจะได้ผลใช้ได้ทั้งสามันข้อสำคัญก็คือมันดับการว่าตัณหาดับภาวะตัณหาดับวิภาวะตัณหาได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าดับได้ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าดับไม่ได้ก็ถือว่าปัญญายังไม่แหลมคม หรือว่าสมาธิยังมีกำลังไม่มากพ อ, อก็จะต้องทำสมาธิเพิ่มขึ้นพิจารณาให้มากขึ้นให้เร็วขึ้นให้ไวกว่าการว่าตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาการปฏิบัติมันก็จะต้องเป็นไปแบบนี้เป็นการเสริมสร้างกาลังของสติของสมาธิของปัญญาขึ้นไปเรื่อย เพื่อที่จะได้ทำลายกำลังของตัณหาทั้งสามนี้ถ้าเวลาใดที่สติสมาธิปัญญามีกำลังมากกว่ากามาตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณหามันก็จะสามารถทำลายตัณหาทั้งสามนี้ได้ถ้ามีกำลังน้อยกว่าก็ยังสู้ไม่ได้ก็ยังดับมันไม่ได้ ถ้ยังดับมัไม่ได้ยังละมันไม่ได้ก็ต้องเจริญต่อไปต้องสลับกันระหว่างสมาธิและปัญญาพิจารณาแล้วพอจิตเริ่มฟุ้งแล้วก็หยุดพิจารณากลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปทําจิตให้สงบให้เป็นอุเบกขาให้เย็นใหม่แล้วพอออกมาจากสมาธิก็กลับมาพิจารณาใหม่พิจารณาไปให้มันเกิดความชํานิชํานาญเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ให้มันทันต่อเหตุการณ์เวลาเกิดตัญหาขึ้นมาก็สามารถที่จะดับมันได้อย่างรวดเร็วนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการศึกษาศึกษาไปปฏิบัติไปแล้วก็ไปไปฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ไปเรื่อยๆฟังแล้วก็เอามาเปรียบเทียบดูกับ การปฏิบัติของเราว่าอยู่ในแนวทางเดียวกับที่ท่านสอนหรือไม่ถ้าไม่อยู่ในแนวทางเดียวกันก็ต้องปรับให้มันเข้าในแนวทางของคำสอนอย่างนี้ก็จะไม่หลงทางถ้าปฏิบัติเองโดยไม่มีคำสอนก็จะไม่มีอะไรมาวัดว่าการปฏิบัติของเรานี้ถูกหรือไม่ถูกแต่ถ้ามีคำสอนมาเป็นเครื่องวัดเราก็จะได้ รู้ว่าเออตอนนี้เราไปทางไหนไปตามที่ครูบาอาจารย์ท่านไปกันหรือว่าเราเริ่มไปตามทางของเราเสียแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นจะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ยี่บสี่ชั่วโมงต้องเห็นหน้ากันตลอดวันตลอดเวลาต้องได้ยินกันตลอดเวลา อันนี้บางครั้งมางเวลาก็ต้องออกไปอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เวลาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์บางทีก็อาจจะมีภารกิจอย่างอื่นเข้ามารบกวนได้พระที่อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านถึงมักจะ ต, ต้องขออนุญาตมาไปปริกวิเวกแต่ไปก็เพื่อไปบาเพ็ญไม่ได้ไปเพื่อไปเที่ยว เพื่อไปหนีภาระหน้าที่เวลาที่ต้องที่ต้องทาเวลาที่อยู่กับครูบาจารย์แต่ไปเพื่อที่จะได้มีเวลาบำเพ็ญสติสมาธิและปัญญาอย่างเต็มที่เพราะเวลาอยู่กับครูบาจารย์นี้ก็ต้องมีภารกิจอย่างอื่นที่เกี่ยวกับครูบาจารย์เกี่ยวกับวัดวาที่จะต้องช่วยกันทํา ก็จะไม่มีเวลาได้ภาวนาอย่างเต็มที่พระท่านจึงต้องมีการไปปีกวิเวทไปทุ่ดงกันไปหาที่สงบสงัดเพื่อจะได้บำเพ็ญหรือไปหาที่เพื่อจะได้ทดสอบกำลังของสติปัญญากับปัญหากิเลสว่ามีใครมีมากกว่ากันเช่นไปอยู่ในที่อัทธคัตอกันดานลำบากยากเย็น ไปอยู่ที่น่ากลัวอันนี้ก็เพื่อที่จะไปทดสอบกําลังของสติปัญญาสมาธิว่าสามารถที่จะดับกิเลสตัณหาความอยากต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภาวะเหล่านั้นได้หรือไม่ถ้าอยู่ในที่สะดวกสบายอยู่ที่สมบูรณ์กิเลสตัณหาตัวต่า ง, างๆเหล่านี้ก็จะไม่ได้โผล่ ข, ขึ้นมา เพราะมันได้รับการดูแลด้วยความสุขความสบายในเรื่องของปัจจัยสี่ในเรื่องของรูดเสียงขิ่นรสผุทธพาก็เลยไม่รู้ว่ากิเลสมันหมดหรือยังก็เลยต้องออกไปหาที่ทดสอบดูว่ากิเลสต่างๆที่มันไม่โผล่ในขณะที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับที่ที่มันสะดวกสบายมีพร้อมมูล ในเรื่องปัจจัยต่างๆตอนที่เราไปอยู่แบบ อ, อัตคัดขัดสนนี้มันโผล่ออกมาหรือไม่ถ้ามันโผล่ขึ้นมาก็จะได้รู้ว่าเราสามารถที่จะกาจัดมันได้หรือไม่ด้วยกำลังของสติสมาธิปัญญาที่เราได้เจริญได้บำเพ็ญไว้ว่าพอหรือ ย, อยัง อันนี้เรียกว่าเป็นการไปหาที่ทดสอบจิตใจไปหาห้องสอบเราได้ทำการบ้านมามากแล้วที่อยากจะรู้ว่าจะสอบผ่านหรือไม่ก็ต้องไปสมัครสอบเหมือนที่นักศึกษาที่เขาเรียนกันสมัยนี้อย่างนี้เขาจะเข้าห้องเรียนก็ได้ไม่เข้าห้องเรียนก็ได้ขอให้ทำการบ้านไปก็แล้วกันพอถึงเวลาสอบก็จะอยากจะรู้ว่า อทําการบ้านมาพอหน่อยอย่างพร้อมหน่อยังก็ไปสมัครสอบดูอดถ้าถ้าทําการบ้านมาอย่างโชคโชนพร้อมแล้วก็ก็สามารถสอบผ่านได้พอสอบผ่านได้แล้วทีนี้ก็จะมีความมั่นใจการได้เข้าห้องสอบนี้มันจะทําให้รู้จริงเห็นจริงรู้ว่าอ่านี่คือทำที่เรามีอยู่และ ภัยที่เป็นสิ่งที่เป็นภัยกับใจของเราเราก็ได้ทำลายไปแล้วเราไม่มีความทุกข์ไม่มีความหวาดกลัวกับอะไรแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเรารับได้ทุกรูปแบบไม่มีความหวั่นไหวอันนี้จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อต้องเข้าห้องสอบต้องไปเจอความตายต่อหน้าต่อตาแล้วก็จะรู้ว่าสามารถ ผ่านหรือไม่ผ่านนี่เกิดเรื่องที่จะต้องทํากันไม่ได้หมายความว่าจะให้อยู่กับครูบาอาจารย์ไปตลอดแต่บางทีอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มีห้องสอบให้เข้าได้เหมือนกันในวัดของท่านบางทีก็เป็นวัดที่ใหญ่มีความสงบมากก็สามารถหาห้องสอบได้ในวัดนั่นแหละเช่นนั่งนานๆปล่อยให้มันเจ็บนานๆนปล่อยให้ความเจ็บมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วดับไปเองเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันดูซิว่าใจของเราจะรับกับทุกขเวทนาในทุกรูปแบบได้หรือเปล่าเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนาที่ตั้งอยู่เวทนาที่ดับไปโดยที่ใจเราไม่ต้องไปว่าวุ่นขุ่นมัวไม่ต้องไปยุ่งกับมันใจเราเพียงใช้พลังของสติสมาธิและปัญญา มาเผชิญกับปัญธะนั้นนักษาใจให้เป็นอุเบกขาเพียงอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยวางทุกเวทนาไปให้เห็นว่าเป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ไปขับสกยับไล่สายส่งมันไม่ได้ถ้าอยากให้มันหายมันก็จะเพิ่มทุกข์กขึ้นมาภายในใจอี ก, กองหนึ่งที่เป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่า กองแรกคือทุกที่เกิดที่ร่างกายทุกที่เกิดที่เกิดจากความเจ็บปวดของร่างกายนี้ไม่รุนแรงเท่ากับทุกที่เกิดจากใจที่ปรุงแต่งขึ้นมาต า, ามอำนาจของตัณหาของภาวะตัณหาหรือของวิภาวะตัณหาคืออยากให้มันหายไปหรืออยากจะหนีจากมันไปถ้ามีความอยากเหล่านี้ขึ้นมาภายในใจเมื่อไร ก็จะสร้างกองทุกข์ขึ้นมาใหม่อีกกองหนึ่งซึ่งเป็นกองที่ใหญ่กว่ากองทุกข์ที่เกิดจากร่างกายกองทุกข์ที่เกิดจากร่างกายนี้อาจจะเป็นขนาดจอมปลวกแต่กองทุกข์ที่เกิดจากใจนี้เป็นเหมือนภูเขาหิมอะไรอันนี้มันจะรุนแรงมากที่ทนไม่ได้ไม่ได้ทนไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้ไม่ได้เป็นเพราะว่าความทุกข์ของทางร่างกายแต่ที่ทนไม่ได้ก็เพราะความทุกข์ของใจ ที่เกิดจากตัณหาความอยากสร้างขึ้นมาเองดันใจจะต้องมีสติปัญญามีสมาธิ <c oughs> ที่จะสามารถควบคุมไม่ให้เกิดความอยากอันนี้ขึ้นมาได้ให้ได้ถ้าไม่มีความอยากเกิดขึ้นแล้วใจก็จะเป็นอุเบกขาก็จะรู้สึกว่าความเจ็บของทางร่างกายนี้เป็นเหมือนเข็มฉีดยานี่เองไม่ใหญ่โตไม่น่าไม่น่ากลัวเลย ไม่เหมือนกับคาพูดของหมอว่าจะฉีดยาเพียงแต่พูดว่าจะฉีดยานี้ใจมันก็ไปซะก่อนแล้ะมันทุกไปก่อนละแล้วพอฉีดเข้าจริงๆมันก็เพียงแค่เข็มฉีดทิ่มเข้าไปในเนื้อนิดเดียวเท่านั้นเองอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องเข้าต้องเข้าหาห้องสอบให้ได้ถ้ากลัวความมืดกลัวอะไรก็ออกไปเดินในป่าตอนกลางคืน ไม่ต้องใช้ไฟเดินมันไปงูมันจะกัดหรือสัตว์อะไรมันจะกัดก็ปล่อยให้มันกัดไปถ้าเราพิจารณาแล้วว่าร่างกายของเรานี้มันเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอยู่ที่ไหนถึงเวลามันก็ต้องตายเหมือนกันอยู่ในที่พักมันก็ตายเหมือนกันออกมาเดินโจมกลมในที่มืดมันก็ตายเหมือนกันถ้าถึงเวลามันอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้ทั้งนั้น ทีนี้สิ่งที่เราต้องการให้มันตายก็คือความกลัวตายถ้ามันอยู่ในที่ปลอดภัยความกลัวมันก็ไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดเราก็ไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้เหมือนกับเราจะดักจับสัตว์แล้วก็ต้องไปมีอะไรมาล่อให้มันมามากินเหยือ่อพอมันมากินเหยือ่อเราก็จะได้ฆ่ามันได้จับมันได้ถ้าเราอยากจะจับความกลัวฆ่าความกลัวตายเราก็ต้อง ไปหาที่ที่ทําให้มันผล่ออกมาพอมันโผล่ออกมาแล้วเราก็จะได้ฆ่ามันได้ฆ่ามันได้ด้วยสติด้วยปัญญาที่เราได้ฝึกซ้อนอบรมสั่งสอนมาอยู่อย่างต่อเนื่องว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ํำนมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงอาการสามสิบสองที่ไม่มีความรับรู้รู้สึกอะไรทั้งนั้น ผมมันไม่รู้ว่ามันเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรทั้งนั้นมันเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟที่ไม่รู้อะไรมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยให้มันมารวมกันมันก็มันก็ผสมกันออกมาให้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เท่านั้นเองแล้วถึงเวลามันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมของมันนี่คือการใช้ทำการบ้านไปก่อน พอเรามีความมั่นใจแน่แนๆแล้วว่าไอ้ร่างกายนี้มันต้องตายแน่ๆมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ลองเปพิสูจน์ความรู้อันนี้ว่ารู้จริงหรือรู้ไม่จริงรู้จริงก็คือถ้าเจอความกลัวตายก็เจอสิ่งที่จะทําให้เกิดความกลัวตายก็ปลงได้เอปล่อยได้เมื่อมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราจะไปกลัวมันทําไมมันจะตายก็ปล่อยมันตายไป นี่คือเรื่องของการเข้าห้องสอบแต่ก่อนจะเข้าห้องสอบนี้เราต้องมีความมั่นใจก่อนว่าเรามีกำลังพอถ้ายังไม่มีกำลังพอก็อย่าเพิ่งเข้าไปเข้าไปแล้วเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นคนเสียสติได้ <c oughs> หรืออาจจะตายไปโดยไม่ได้กำไรตายแบบขาดทุนตายไปกับความกลัวตายแต่ความกลัวตายไม่ได้ตายแต่ร่างกายตายไป อย่นี้ก็ขาดทุนาการปฏิบัติก็ต้องรู้จักกำลังต้องรู้จักความเหมาะสมรู้จักทางสายกลางสบายกเกินไปปลอดภยัยเกินไปก็ไม่ดีอันตรายกเกินไปต่อที่เราจะรับได้ก็ไม่ดีต้องให้รู้กำลังของเราก่อนนี่คือการปฏิบัติที่จะเป็นการพิสูจน์ว่าเรานี้ได้สอบผ่านหรือไม่ผ่าน เมื่อเราสอบผ่านแล้วเราก็ไม่ต้องไปถามใครธรรมของพระเจ้าท่านยังตัดไว้ว่าเป็นสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติพิสูจน์ได้ด้วยตนเองผู้ที่บรรลุแล้วไม่ต้องไปถามใครว่าเราบรรลุหรือยังแต่ผู้ที่ไม่บรรลุ ก, ก็อาจจะหลงที่ว่าบรรลุได้ก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องของความหลงเองเหมือนกันที่หลอกให้ ให้คิดว่าตนเองบรรลุแล้วเพราะว่าบรรลุแบบไม่ได้เข้าห้องสอบ น, นั่นเองบรรลุจากการที่ได้ทำการบ้านแล้วก็ได้ได้ข้อสรุปว่าตนเองได้หลุดพ้นแล้วได้บรรลุแล้วโดยที่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจจิตใจก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อันนี้ก็เป็นความหลงที่จะหลอกผู้ปฏิบัติได้ การมีครูบาอาจารย์มีผู้ที่ประสบมีประสบะการณ์ผ่านมาแล้วถึงเป็นประโยชน์มากท่านจะบอกให้เรารู้วิธีที่จะพิสูจน์อย่างแท้จริงว่าจะพิสูจน์อย่างไรไม่ใช่พิสูจน์จากการทาการบ้านเพียงอย่างเดียวการทาการบ้านเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเพียงต่อการพิสูจน์ <c oughs> ต้องเข้าห้องสอบต้องถามตัวเราเองว่าเรายังมีความลักความชังความกลัวความหนงอยู่หรือเปล่า ถ้าเราคิดว่าเราไม่มีก็ต้องไปพิสูจน์ดูไปที่ไหนที่เราเคยกลัวดูว่ามันจะกลัวไหมเคยกลัวผีก็ไปป่าชา้าดูดูจะกลัวหรือเปล่ากลัวความหิวก็ลองอดข้าวดูดูซิว่ามันจะทุกข์หรือเปล่ามันต้องไม่ใช่คิดไปเปยเปยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราผ่านแล้วเราสาเร็จแล้วเราไม่กลัวแล้วเราไม่ทุกข์แล้ว มันยังไม่ได้อยู่ในห้องสอบมันก็จะไม่รู้เพราะมันอยู่กับความสุขความสบายยังกินข้าววันละสา ม, มื้ออยู่อย่างนี้แล้วก็บอกไม่กลัวความหิวใช่มันมีกินสา ม, มื้อมันจะไปกลัวทําไมมาลองไม่กินนักสามวันดูซิว่าดูมันจะกลัวหรือเปล่านี่แหละคือเรื่องของการปฏิบัติการศึกษาอย่างต่อเนื่องที่เราจะต้องทํากันไปเรื่อยๆศึกษาก็คือฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ หรือมีปัญหาก็สอบถามมีอะไรที่สงสัยก็เล่าไปเล่าถึงการปฏิบัติของเราไปให้ท่านได้พิจารณาดูว่าถูกไหมไม่ถูกเราจะได้ปรับการปฏิบัติของเราถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีคนคอยมาสอนมาคอยบอกมาคอยเตือนนี่เดี๋ยวเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราเดินไปในทางที่ที่ผิดได้ แล้วการบาเพ็ญก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะเดินผิดทางและอาจจะแก้ายากด้วยถ้าเป็นคนที่ดื้อรั้นเป็นคนที่มีความเชื่อตนเองมากจนเกินไปคิดว่าตนเองรู้รู้แล้วรู้มากแล้วคนอื่นไม่มีใครที่จะรู้เท่ากับตนได้คนอย่างนี้ก็จะเป็นภัยกับตนเองได้ ยิ่งเพื่อความไม่ประมาทควรจะเข้าหาผู้รู้หรือภาษาวกทั้งหลายท่านเหล่านั้นท่านก็เข้าหาพระพุทธเจ้ากันทางนั้นแล้วพวกสาวกของสาวกเขาก็เข้าหาสาวกกันไม่มีใครที่จะปฏิบัติตามลำพังแล้วบรรลุ ก, กันไม่ค่อยได้ยินข่าวมีแต่ต้องมีผู้รู้ผู้สอนทั้งนั้นนอกจากบุคคลบางบุคคลที่อาจจะ ไม่มีผู้รู้จริงๆหรือมีแต่ก็ไม่สามารถสอนถึงขั้นที่ตนต้องการไปได้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ต้องสอนตนเองพึ่งตนเองอย่างนั้นก็ต้องระมัดระวังต้องรอบครอบอย่าอย่าประมาทห ร, รือว่าอย่าต้องคือต้องทดสอบตนเองอยู่ หลายรอบด้วยกันจนกว่าจะมีความมั่นใจดังนั้นขอให้พวกเราที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้พวกเรายึดหลักของการปฏิบัติที่ต่อเนื่องคือไม่หยุดไม่หย่อนทำอย่างสม่าเสมอไปจนกว่างานที่เราต้องทำนี้ ได้สำเร็จรู้เรื่องไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุรเรนติสาขลงเอวเมวะอิตโตทินางเฟตานาังอุปกั ป, ปติ อิจิตังปัตติตงตุ მ หังคิปเมวะสมิจจัตุสะเภปุเรนตุสังกปายันโทปนาระโสยถามะนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจานตุสะพะโรโววินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทนสีลิธสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังมีอะไรจะถามไหมอาจารย์ครับ เวลาทีจิตสงบแล้วเวลาที่เราหลับตาใช่ไหมปกติเราหลับตาตเวลาหลับตาเนี่ยมันจะมืดใช่ไหมครับแต่ถ้าจิตสงบแล้วภายในที่าหลับตาอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันสว่างอะไรเงี้ยครับก็ดีไงก็ไม่เป็นไรอันนี้คือความปิติเปล่ที่เราคิดไปเองหเปล่มันจะคิดไปเองหรือไม่คิดไปเองก็ช่างหัวมันจะไม่ต้องไ ป, ไ, ปไม่ต้องไปกังวลกับมัน ขอให้เราสงบนิ่งไม่ปรุงแต่งอันนั้นเป็นตัวสําคัญให้มันว่ามันจะสว่างมันจะขนลุกซาหรือจะน้ําตาไหลหรือจะเป็นอะไรเราก็ให้เพียงแต่รับรู้ไวอย่าไปปรุงแต่งกับมันว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อมันไม่บอกว่ามันเป็นอย่างไรเราก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งไปบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ดูไปตามความเป็นจริง บางครั้งมันสว่างจนเรารับไม่ไหวหรือบางครั้งมันใสจนเราหลับตาแต่เราก็เห็นข้างนอกอะไรอย่างนี้เราก็กลับมาบริกรรมของเราต่อภาวนาของเราต่ออย่าไปสนใจกับมันถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปบริกรรมพุทโธก็บริกรรมต่อไปไม่ต้องไปรับรู้คือไม่ต้องไปติดตามรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางแล้วก็กลับมาภาวนาต่อเพราะเรายัางไปไม่ถึงจุดสุดท้าย จุดสุดท้ายของเราก็คือทุกอย่างจะสงบว่างาจะนิ่งจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อนันเวลาภาวนาไปมันเวลาจากก่อนจะถึงจุดสุดท้ายมันจะมีอะไรต่างๆให้รับรู้ก็รู้ไปเฉยๆไม่ต้องไปปรุงแต่งว่ามันเป็นอะไรเอมันก็เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญ น, นี่แหละ แต่ยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการยังไม่เป็นประโยชน์กับใจเพราะของพวกนี้มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปถ้าไปนยินดีก็จะติดมันสิ่งที่เราต้องการก็คือสิ่งที่ไม่มีวันหมดไปก็คือความว่างความอุเบกขานี่ยอันนี้มันจะไม่หมดถ้าเรารู้จักรักษาต่อไปมันจะมีตลอดเวลาเจ็ที่เป็นอุเบกขาแสกแต่ว่ารู้ อยู่กับความว่างนี่มันจะเป็นพื้นของจิตใจเนี่ยเป็นธรรมชาติของจิตใจเรายังเข้าไม่ถึงตัวธรรมชาติของจิตใจเรายังไปติดอยู่กับไอ้สิ่งที่มันครอบเรื่องมันเกาะติดอยู่กับจิตใจไม่ใช่ของแท้ของแท้ต้องเป็นสักแต่ว่ารู้อุบเบกขาว่าไม่มีความคิดปรุงแต่ง ถ้าได้ถึงจุดนั้นก็ปล่อยมันอยู่ตรงจุดนั้นไปแล้วเวลาออกจากสมาธิก็พยายามรักษาจุดนั้นต่อไปโดยการควบคุมความอยากเพราะมีตัวความอยากนี้เท่านั้นที่จะมาทำลายให้จิตให้ดึงให้จิตออกจากจุดนี้ไปถึงต้องใช้ปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาแล้วต้องใช้ปัญญากำจัดความอยากที่จะมาดึงใจให้ออกจากจุดของกุเบขาไป ่งมาครั้งแรกเลยได้ข่าวจากที่ไหน่ อ, อ, อ, อยังไม่ได้นังสือชุดทำชุดเตรียมพร้อมก็เอาไปได้นะมีนังสือหลายหลายหลายเล่มด้วยกันเดี๋ยวมีคำถามอีกเดี๋ยวถ้าอยากจะฟังคำถามต่อก็นนะถ้าอยกจะกลับไปก่อนก็กลับได้ คำถามก็มีหลากหลายด้วยกันเพราะภูมิจิตของคนถามก็มีหลายระดับบางคนก็ยังอยู่ระดับทานบางคนก็อยู่ระดับศีลบางคนก็อยู่ระดับสมาธิบางคนก็อยู่ระดับปัญญาบางคนก็อยู่ระดับศรัทธาความเชื่อยังไม่รู้อะไรมากคําถามมาจากทุกทิศ ท, ทุกทางเพราะเดี๋วนี้มีสื่อที่สามารถติดต่อกับคนที่อยู่ตามทิศต่างๆได้ ตอนนี้ก็มี Facebook ในอินเทอร์เน็ตที่นี่คนเข้าไปโพสต์คําถามแล้วก็วันเสาร์ที่ก็จะมาถามแล้วก็ตอบผ่านการอัดเสียงนี่แล้วเขาก็จะใส่เข้าไปใน YouTube อีกทีนคนที่เขาถามคําถามก็จะรอฟังกันบางคนก็อยู่ต่างประเทศบางคนก็อยู่ต่างจังหวัด มีคําถามหรือเปล่าวันนี้มีครับแต่ว่ากำลังเรียบเรียงอยู่พัฒนาอ่าแอดมินคนนี้เป็นแอดมินคนทําหน้าที่ดูแลเว็บเพจดูแล facebook คือว่ามีคําถามครับว่าจะเป็นคําถามที่เขาเคยถามมาแล้วว่าเขามีโอกาสเนี่ยที่จะได้เข้าทํางานจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นบริษัท ประมาณว่าค่ า, าสตัตว์ตัดชีวิตนะครับเพื่อเอามาทําเป็นเนื้อครับแล้วครั้นี้วันหนึ่งเขาก็ส่งลิงก์มาเปรียบเทียบให้เคยอธิบายไปประมาณว่าถ้าอยู่ในบริษัทยังไม่ว่าแผนกใดอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับร่วมกันทั่งในเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็ส่งลิงก์หมายลิงก์หนึ่งซึ่งอธิบายตามนี้ครับให้พระอาจารย์อ่าอธิบายนะครับออ่่าาั้งสมัยพุทธกาลมีผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นลูกเศรษฐีในกรุงราชคฤต์แถมได้บรรลุธรรมขั้นต้นเป็นพระโสดาบันตั้งแต่ยังเด็กวันหนึ่งเกิดตกหลุมรักกับนายพานเลยหนีตามนายพานไปมีลูกด้วยการเจดคนเนี่ยพระโสดาบันก็ยังมีกิเลสยังไม่หมดต่อหลังพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดครอบครัวนี้จนทั้งบ้านเป็นพระโสดาบันหมดเลิกทําอาชีพนายพานล่าสัตว์ ก็มีพระไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วเมียนายพานนี่เป็นพระโสดาบันแล้วทาหน้าที่เมียคอยหยิบจับดูแลอาวุธให้สามีแบบนี้ได้หรือพระโสดาบันจับมั่นคงในศีลไม่คลอนแคลนพระพุทธองค์ก็ทรงเมตตาอธิบายว่าพระโสดาบันย่อมไม่ทําปานาติบาตในวงเล็บผิดศีลข้อหนึ่ง แต่นางได้ทำอย่างนั้นด้วยคิดว่าเราจะทำตามคําสามีจิตของนางไม่มีเลยว่าสามีนั้นจงถือเอาเครื่องปะหารนี้ไปทำปานาติบาทเมื่อแผลในฝ่ามือไม่มียาพิษนั้นก็ไม่อาจจะให้โทษแก่ผู้ถือยาพิษได้ฉันใดบาปนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาป แม่นางนำเครื่องประหาทั้งหลายเช่นทูบเป็นต้นออกให้สามีเพราะนางไม่มีอกุสลเจตนาฉะนั้นเหมือนกันได้ยังไงนะ่ะ ห, หมายก็ว่าเขาจะเอาแบบนั้นเหรอเขาจเอาแบบนางคนนั้นใช่ไหมเขายังเม่ก็ขายังเป็นโสดาบันหรื อ, อยังยังก็เป็นโสดาบันก่อนแล้วค่อยไปเอาแบบนั้นก็แล้วกันเพราะคนที่เป็นโสดาบันกับคนไปปิดุชนนี้คิดไม่เหมือนกัน เขาโสดาบันท่านมีเหตุมีผลของท่านถ้ารู้ความผิดความถูกของท่านแต่คนที่โสดาไม่ใช่เป็นโสดาบันนี่มันจะคิดไปในทางกิเลสเห็นโสดาบันทำได้เราก็ต้องทําได้นี่ทําด้วยความอยากทำละทั้งทั้งที่ตนเองไม่ต้องทําก็ทำก็อยู่ได้แต่คนนั้นเขามีปัญหามีเรื่องของเขามีเหตุการณ์ที่จำเพาะสําหรับตัวเขา เพราะฉะนั้นเราจะไปเอาเหตุการณ์เฉพาะของบุคคล น, นั้นมาใช้กับเหตุการณ์ของเราที่ไม่เหมือนกันมันไม่ได้สถานภาพของเราก็ไม่เหมือนเขาเขาเป็นโสดาบันแล้วเรายังไม่เป็นโสดาบันดฉะนั้นความคิดของปุถุชนกับความคิดของโสดาบันนี้ไม่เหมือนกันเจตนาออกที่ออกมาจากใจนี้ไม่เหมือนกันโสดาบันจะไม่มีกิเลสแบบของปุถุชนออกมาจะเป็นธรรมจะเป็นเหตุเป็นผลของของท่าน นั้นก็อย่าไปเอาเอาข้ออ้างแบบนั้นมาเป็นข้ออ้างสำหรับตัวเราที่เราจะได้ทำงานกับบริษัทที่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเกาะคุ้มครองเราแต่ถ้าเราคิดว่าเรามั่นใจว่าเราทำแล้วไม่เป็นบาปก็ทำไปไม่มีใครว่าอะไรเราไม่ได้มาห้ามใครทั้งนั้น ใครอยากจะทำการกับบริษัทไหนก็ทำไปมีความมั่นใจว่าทำแล้วไม่บากก็ไม่ต้องมาถามเราให้เสียเวลาเราไม่ได้มาเพื่อจะมาถกเถียงอะไรกับใครทั้งนั้นเราก็ว่าไปตามทาที่เราได้ศึกษาที่เราได้ได้เข้าใจมาซึ่งอาจจะไม่ลึกซึ้งไม่กว้างขวางเหมือนกับของพระพุทธเจ้าเราอาจจะรู้แต่เฉพาะมุมแคบๆ ข, ของเราเท่านี้เราก็พูดไปตามภาษาของเรา ถ้ามีทำที่เหนือกว่าเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็เราก็รับได้ใครอยากจะเอาทำข้อไหนมาอ้างแล้วก็ที่มันขัดกับทำที่เราพูดไว้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่สงวนด้ยกยะสิทธิอันนี้เป็นค ำ, คำถามของเขาใช่ไหมเป็นคำถามเหมือนเขาส่งลิงก์มาให้นะครับอาจารย์แล้วตอบนี้พอจะได้ อ, อได้นะ <laughs> <laughs> ความจริงไม่อยากจะให้เอาไปฝากใครเพราะว่าของนี่มันถ้าคนเขาไม่รู้นี่บางทีเอาไปฝากเขาแล้วบางทีเขาไม่อาจจะไม่ได้เขาไม่อยากได้เอาไปแล้วมันก็จะเสียของอยากจะจากจากคนที่มาเท่านั้นเองนี่งั้นถ้าเขาอยากจะได้เขามาเอาดีกว่าไม่หรอก็โยมก็ สลาของโยมไปก็แล้วกันถ้าอยากจะถวายท่านเออะจะได้บุญถ้าอยากอยากเรามาขอเรากลายเป็นขอทานไปเราก็จะเสียเสียธรรมมของเราเกิดความโลภอยากจะได้ที่ที่หวงนี่ไม่ได้หวงเพื่อเพื่อเราหรอกหวงเพื่อใจของคนเนี่ยคนที่มาบางทีเห็นของแจกฟรีก็อยากจะได้ขึ้นมาทันที ความอยากได้นี่มันโดยที่ตนเองไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสตัณหาแล้วท่านต้องซื้อนี่ก็ไม่อยากได้แล้วเพราะจะต้องเสียเงินเห็นถ้าอยากจะให้เขาก็เรามีอยู่ชุดหนึ่งล้วก็บอยจากไปเสร็จชุดของเราเนี่เราอ่านเสร็จแล้วเราก็เราไปถวายท่านได้เนีย่ยมันธรรมะกับกิเลสมันอยู่บนเส้นเอยาแดงอะไรผ่าแปดเนี่ย มองดีๆมันก็เป็นกิเลสมองดีๆก็เป็นธรรมมองไม่มองมองอีกทีมันก็เป็นกิเลสได้นี่อยู่ที่คนมองว่ามีธรรมะมีความรู้ความฉลาดพอ ท, ที่จะมองหรือไม่เวลาใครมาเอาหนังสือนี่ส่วนใหญ่ก็อยากจะให้เอาแต่เฉพาะของตนเองไปแล้วก็คนอื่นที่ก็อยากจะได้ถ้าก็เห็นเราก็บอยจากเข้าไปก็ได้คราวหน้าแล้วเราก็มาเอาใหม่ก็ได้ จะดีกว่าบางที่เอาไปแล้วไปแจกเขาบางทีเขาไม่อยากได้ขึ้นมานีหรือเขาก็รับไปแล้วเขาก็ไม่ได้เอาไปอ่านหรือเอาไปทําอะไรประโยชน์ของคนที่จะได้รับหนังสือก็ก็ไม่ได้รับคือคนที่มาบางทีมาทีหลังแต่เขาสนใจเขาแต่หนังสือแจกไปหมดแล้วเนี่ย ก็พูดไว้เพื่ออยากให้ทราบว่าไม่หวงหรอกเพื่งแต่ว่าอยากจะให้มันได้เป็นธรรมอย่างเต็มที่มีข้อไหมมีข้อใหม่ไหมไม่มีครับแต่ว่าได้ฟังพอ ด, ดีเมื่อเช้าเนี่ยเปิดสถานีวิ <c oughs> ทยุเปิดธรรมะของพระอาจารย์ชุดกําลังใจครับ <c oughs> พระอาจารย์พูดไว้ว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งสอนให้สร้างพระพุทธรูปหรือกราบพระพุทธรูป ดังนั้นชาวพุทธมีประโยชน์ดีได้ประโยชน์อะไรจากการกราบพระพุทธรูปหรือสร้างพระพุทธรูปในสมัยนี้ครับอาจารย์ก็ได้เป็นพุทธานุสติก็คือว่าเดี๋ยวนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเรามีพระพุทธรูปเป็นเหมือนรูปเหมือนแทนพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้กราบพระบรมศาสดาอย่างแต่ว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าการกราบนี่มันไม่ได้ประโยชน์มากเท่านั้นเอง ประโยชน์ที่ควรจะได้มากอยู่ที่การศึกษาที่การปฏิบัติพระพุทธเจ้าตรึงตัดว่าตถาคตอยู่ที่ธรรมธรรมอยู่ที่ตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นคือผู้เห็นธรรมดังการเห็นว่าพุทธรูปนี้ยังไม่ได้เห็นตถาคตเพียงแต่ว่าเราได้กราบไหว้ก็เป็นการสักการะ บ, บูชาในระดับหนึ่งแต่ผลอนิสงส์ที่ได้รับได้รับจากการ กราบไหว้พระพุทธรูปนี้มันนิดเดียวมันเป็นถงทุลีมันไม่เหมือนกับการที่เราได้เห็นพระพุทธเจ้าจากการปฏิบัติผู้ที่จะเห็นพระพุทธเจ้าจากการปฏิบัติก็คือพระโสดาบันขึ้นไปนี่เองผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะได้รับประโยชน์แก่จิตใจเพราะขั้นขั้นแรกก็คือได้หลุดพ้นจากอบายไม่ต้องไปเกิดในอบายกาไป แล้วพบชาติก็เหลือไม่เกินเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างมากอันนี้แหละประโยชน์ที่เราจะได้จากการที่เราได้พบกับพบระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่เกิดจากการปฏิบัติของเราแต่ถ้าเรามีพระพุทธ ร, รูปแล้วก็มัวแต่กราบเชา้ากราบเย็นแล้วก็ไม่เคยไปสนใจที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติการไปอีกแสนชาติมันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละมันก็ไปไม่ถึงไหนอยู่ดีแต่ถ้ามีพระพุทธ ร, รูปแล้วกร า, กาบแลบ้วเกิด พุทธานุสติขึ้นมาคือกล่าวแล้วล้วกถึงพระพุทธคุณแล้เลิกถึงพระธรรมคําสอนแล้วก็น้อมเอาคําสอนนี่มาปฏิบัติอันนี้แหละถึงจะถึงจะได้ผลเห็นหน้าที่ของพระพุทธรูปก็เป็นเหมือนกับป้ายโฆษณาดีๆนี่บางทีเราไม่รู้จักสินค้าเขาก็ต้องโฆษณาสินค้าติดป้ายไว้แล้วก็บอกคุณสรรพคุณ บอกสถานที่จะไป ซ, ซื้อได้ติดต่อซื้อได้พอเราเห็นแล้วอ่านสปปรรพคุณแล้วเห็นว่าเออเป็นสิ่งที่เราต้องการเอเราก็จะได้ไปที่ขายที่เขาขายเราก็จะได้ซื้อสินค้านั้นแต่ถ้าเราเห็นแล้วเราก็เฉยเฉยไม่สนใจสปปรรพคุณอ่านแล้วก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรสําหรับเราก็ไม่สนใจมันก็มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรบางทีคนกราบแล้วบางทียังไม่ไม่รู้จะกราบอะไร บางทีไม่เราเลิกถึงพระพุทธคุณว่าพระพุทธเจ้านี่ที่เรากราบนี่เป็นใครทั่วไปเราถึงต้องกราบท่านท่านมีอะไรดีมีอะไรวิเศษเราต้องกราบท่านบางทีก็กลายเป็นเหมือนกับว่ารู้ก็รู้ผิดเองไปคิดว่าเป็นพระเจ้าสามารถที่จะดนบันดาลสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กลายเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆ่างไปถ้ามีพระพุทธรูปหรือมีผ้าห้อยคอเราจะปลอดภยัย อยากไภอะไรต่างๆอันนี้เลยกลายเป็นความเชื่องมงายไปเป็นความเชื่อที่ไม่ตรงกับความจริงก็ทําให้หลงทางไปเลยกลายเป็นพุทธพาณิชย์ขึ้นมากลายเป็นสินค้ากลายเป็นเหยื่อของผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากพุทธพาณิชย์ต ล, ลิตพระออกมาต้นทุนแค่สิบบาทแต่ขายเป็นพันก้อนก้อนเอาเอ า, เอาดินเหนียวมาปั้นเป็นอ มาพิง์เป็นพระแล้วก็เอามาขายบางทีถ้ามีคนมีการโฆษณามีการ <c oughs> ทำการตลาดก็อาจจะมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไปได้<ม>อันนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจเลยเสียเวลาไปเปล่าๆอย่างนี้แสดงว่ามีศรัทธาแต่ขาดปัญญาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ปัญญาต้องเกิดจากการศึกษาไง ศา ส, สนาพูทธนี่สอนเรื่องศึกษาปฏิบัติแล้วก็บรรลุผลปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่ชาวพูทธของเรานี่เมืองไทยเรานี่ไม่ค่อยสนใจเรื่องการศึกษาเรื่องการปฏิบัติชอบเชื่อกันแบบงมงายใครเขาว่าเป็นอย่างไรก็เชื่อกันสู้ชาวต่างประเทศก็ไม่ได้ชาวต่างประเทศนี้เขาเข้าเข้าหาพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษา ก็มีพระไตรปิฎกที่ได้แปลเป็นภาษาต่างๆแล้วชาวต่างประเทศนี้เขาเป็นชาติที่จเจริญในด้านการศึกษาอยู่แล้วเวลาเขาอยากจะรู้อรายเขาจะต้องศึกษากันเท่านั้นเขาสนใจศาสนาพุทธเขาก็าศึกษาเขาไม่ไปกราบพระพุทธรูปเขาไม่ไปประเทศอินเดียเพื่อที่จะไปไปที่สังเวชนียสถานต่าง ๆ, ๆเขาเข้า หาพระธรรมคำสอนด้วยการศึกษาเข้าหาพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาเมื่อเขาศึกษาแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรต่อจากนั้นเขาก็ปฏิบัติพอเขาหาที่ปฏิบัติที่บ้านเขาไม่ได้เขาก็เลยต้องมาที่เมืองไทยไงะมีชาวต่างประเทศมาบวชที่ประเทศไทยกันเพราะว่าไม่มีที่ประเทศอื่นที่เขามีการบวชกันชาวต่างประเทศก็เลยมาเอาเอาไข่แดงไปกิน พวเราคนไทยก็กินเปลือกไข่ไปก่อนเพรเราไม่สนใจศึกษากันเราไม่เห็นคุณค่าของไข่แดงกลับไปเห็นคุณค่าของเปลือกไข่ก็เลยมีแต่กินแต่เปลือกไข่กันเคี้ยวมันกรอบมันมันนี่ดังนั้นการกราบสามครั้งของชาวพุทธนะครับ ควรวางจิตวางใจยังไงครับที่จะกราบให้สมบูรณ์ที่สุดก็กราบแรกก็ให้เลิกถึงพระพุทธคุณกราบที่สองก็ใหนึกทมคุณกราบทั้งที่สามก็สังฆคุณพุทโธธรรมโมสังโฆแต่สมัยนี้เขากาบหนึ่งสองสามกันลูกกาบพระเลยหนึ่งกาบหนึ่งกาบสองกาบสามหลวงตาท่านพยายามสอนว่ากาบพุทโธกาบธรมโมกาบสังโฆให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเลิกถึง อันนี้มันก็ไม่ได้เราเลึกตอนที่เรากาล่าวเพียงแต่ว่าให้เรารู้ว่าเรากําลังกลาบอะไรถ้าเราไม่รู้ก็ให้ไปศึกษาเสียไปหานไปศึกษาว่าพระพุทธเจ้าคือใครพระธรรมคำสอนสอนอะไรพระสงสาวกท่านเป็นสงสาวกได้อย่างไรเนี่ยให้เอาไปศึกษาศึกษาแล้วเราจะได้ดูเห็นความยิ่งใหญ่ความวิเศษของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าอ๋อที่ท่านยิ่งใหญ่ที่เรากาล่วาวเพราะว่าท่านอยู่เหนือโลก ท่านอยู่เหนือความทุกข์อยู่หเหนือการเวียนว่ายตายเกิดพวกเรานี่ยังอยู่ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเหมือนคนติดคุกเ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ท่านเป็นเหมือนคนแหกคุกท่านแหกคุกได้ถ้าเราอยากจะแหกคุกเราก็ต้องศึกษา ว, วิธีการแหกคุกจากท่านถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องศึกษาจากผู้ที่ได้หลุดพ้นไปแล้ว นี่คือเจตนารมณ์ของการมีอาถาวรวัตถุต่างๆเช่นพระพุทธรูปพระธาตุนี่สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระธาตุไว้ก็เพื่อที่จะได้อยู่ไปนานๆเข้าใจไหมถ้าไม่มีที่บรรจุไว้พระธาตุเดี๋ยวก็เก็บไว้ในที่ที่มันไม่ถาวรเดี๋ยวมันก็หายไปได้แต่ถ้าเก็บไว้ในเจดีย์ที่ถาวรนี้ก็อยู่ได้เป็นร้อยปีพันปี อย่างที่เรามีเจดีกันกราบไหว้กันทุกวันนี้ก็มีไว้เพื่อให้เราเิเราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเพราะในสมัยก่อนก็ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีหนังสือหรือถ้ามีก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่แพร่หลายกว้างขวางคนที่รู้หนังสือก็มีน้อยก็เลยต้องสร้างที่เก็บพระาธาตุไว้ให้มันเด่นให้มันใหญ่ใครมาก็มองเห็นแล้วก็จะตื่นเต้นตะกะ ว่านี่คืออะไรอยากจะรู้ทันทีอยากจะศึกษาอยากจะสนใจก็จะได้รับประโยชน์แต่ถ้าคนดูแล้วก็เฉยๆไม่สนใจก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรคือคาถามคือเคยได้ยิน สามคำนะครับในการแต่ยังไม่แน่ใจเรื่องหมายถึงความหมายความเชื่อมต่อกันครับว่าเช่นอริยสัจสี่อริยมรรคไม่อบแฝแล้วก็กฎิทัพปฏิยาตาหรือปฏิจจกมุบาทภาพโดยรวมในการเชื่อมต่อเก็เรื่องของอริยสัจสีก็เรื่องของทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจเหตุที่ก็คือความอยากเหตุของความอยากก็คือความที่ไม่เห็นอิทิตปัญญาเนี่ย คือไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอยู่อย่างนี้เขาเป็นอนัตตาแต่เราไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นร้อนก็อยากจะให้มันเย็นหนาวก็อยากจะให้มันอุ่นแก่ก็อยากจะให้มันไม่แก่เจ็บก็จะอยากให้มันไม่เจ็บอันนี้ก็คือความหลงมองไม่เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเหตุมีปัจจัยที่ทาให้เขาเป็นอยู่อย่างนี้ เมื่อมีความหลงก็เลยมีอวิชชาปัจจยาสังขาราขึ้นมาอาวิชชาก็คือความหลงปรุงแต่งให้จิตให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ร้อนอยากไม่หนาวถ้ามีปัญญามันก็จะหยุดความคิดปรุงแต่งนี้ได้ถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เขาจะแก่ก็ต้องแก่เขาจะเจ็บก็ต้องเจ็บเขาจะต้องตายก็ต้องตาย ถ้าไม่มีความอยากมันก็จะไม่มีทุกข์ขึ้นมาในใจไม่มีอริยรรสัจสี่คือไม่มีทุกข์สมุทยัยมีแต่ดิโรดกมาร์กเท่านั้นเองเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันสามส่วนอันนี้เห็นชัดไหมยังเข้าใจไหมทุกข์ในใจเกิดจากความอยากความอยากเกิดจากการที่มองไม่เห็นความจริงคือที่คุณว่าอะไรนะคําสุดท้ายที่มันคิดว่าเนะี่ย อิทัปปฏิยะเนี่ยคือการเป็นไปของสิ่งต่างๆมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้โลกมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้มันเป็นอนิจจงอนัตตามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลงแต่ใจของเรามันไม่เห็นความจริงอันนี้มันอยากจะให้มันเป็นตามใจตามความอยากพอไปตามความอยากก็เกิดตัญหาเกิดสมุทรไทยขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความทุกข์ เพราะว่าอาวิชามันความหลงมันไปปรุงแต่งอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อวิชาปัจจญาสังขารานี่ก็อยู่ในปฏิจจสา ม, มุปบาทความหลงไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เลยอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นมันหนาวก็อยากจะให้มันไม่หนาวมันร้อนก็อยากให้มันไม่ร้อนแสดงว่าไม่เห็นความจริงว่าเป็นไปไม่ได้ <c oughs> มันก็เลยเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาหวิธีการต่างๆ ถ้ามันหนาวก็ผลิตเครื่องแอร์ขึ้นมามันร้อนก็ผลิตเครื่องทําความอบอุ่นขึ้นมาแต่มันก็ทําได้ในระดับหนึ่งเพราะถึงระดับหนึ่งมันก็ทําไม่ได้เกิดไฟดับเกิดไม่มีพลังงานมันจะทําอะไรเข้มไหมมันไม่เห็นความจริงอันนี้ถ้ามันเห็นความจริงมันก็จะหยุดอวิชาปัจจาสังขารามันก็จะไม่ไปปรุงแต่งไปแก้อิทธิ ป, ปัจจะต่างๆหนาวก็ปล่อยมันหนาวไปร้อนก็ปล่อยมันหนาวไป เมื่อไม่เกิดความอยากไม่ต้องไปแก้อะไรมันก็ไม่มีความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ก็ดับไปเพราะความอยากไม่มีนีโรดคือการดับของความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเกิดได้จากปัญญาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนัตตานี่เองจันท์แล้วก็ที่คบอกว่าเออตัวตั ว, ตวสังขาร เมื่อพอเราปรุงแต่งคิดแล้วเนี่ย ต, ต, ตัวตัวตัววิญญาณนี่มันก็คือเข้าไปรับรู้แล้วก็เลยทําให้เกิดสลายตัวนักเนืออาตายตนันือรับคําสั่งอีเนี่ยพอปรุงแต่งตัววิญญาณก็รับรู้ว่ากําลังปรุงแต่งเรื่องอยากจะกินเหล้าแล้วอยากจะสูบบุหรี่แล้วมันก็ออกไปหาเหล้าหาบุหรี่อพอได้สูบก็เกิดเวทนาสุขก็เวทนาขึ้นมาก็เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอยากจะสูบใหมก่ก็เกิดตันหาใหม่เกิดภาวะขึ้นมาใหม่ สูบมวลนี้แล้วก็ต้องไปสวดมูลสู่มูลต่อไปตายจากชาตินี้แล้วก็เราไปหาชาติใหม่ไปต่ออีกมันเกิดภาวะตามมาเกิดภพตามมาพระอาจารย์ครับจะจักรเทศนาชุดกำลังใจนะครับพระอาจารย์ได้พูดไปว่ามนุษย์เกิดมาทุกคนมีวิบากกรรมเกิดแก่เจ็บตายแกกันเจ็บนี่พอเข้าใจแต่ว่าทำไมเกิดกับตายถึงเป็นวิบากครับพระอาจารย์ ก็วิบากของความอยากไงพอมีความอยากพอร่างกายนี้ตายไปแล้วมันก็ต้องไปอยากได้ร่างกายอใหม่ถ้าไม่มีความอยากมันก็จะไม่มีร่างกายใหม่ความอยากนี้มันก็เป็นเหตุเป็นกรรมเป็นมโนกรรมตัณหามันก็มาจากสังขารความคิดตรุงแต่งมโนกรรมก็คือความคิดตรุงแต่งถ้าคิดไปตามความอยากมันก็จะทาให้เกิดภพเกิดชาติตามมา ถ้าคิดไปในทางมรรคมันก็จะดับภพบดับชาติไม่มีการเกิดตามมาอย่างเคยได้ยินครับว่าคือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เจริญอนาปานสุตติแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเหมือนกับเราภาวนาผู้โถนะครับตัวตัวเหมือนจะมันมีมันเป็นความคิดนะครับตัวนี้ภพมันจะเกิดครับถ้าเป็นความคิดคําเดียวมันไม่เกิดอะเพราะมันไม่มีอะไรไปต่อมัน มันจะหยุดมันจะตัดความคิดปรงแต่งทั้งหลายที่จะเป็นตัวพบขึ้นมาถ้ามันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวมันก็จะไม่มีไม่มีตันหาตามมาดันั้นมันการจะใช้อนาปานสติก็แบบเดียวกันก็ดูลมหายใจก็รู้ลมเข้าลมออกมันก็ปุงแต่งอยู่กับลมเข้าลมออกทั้นั้นเองมันก็ไม่มีเรื่องราวต่างๆตามมาแต่ถ้าไปคิดถึงตู้เย็นปั๊บเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากจะเปิดตู้เย็นขึ้นมา ไปคิดถึงทีวีมันก็อยากจะเปิดดูทีวีไปคิดถึงมือถือเดี๋ยวก็อยากจะเช็คเมลละเนี่ยมันพอไม่พอมันไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆมันก็จะไม่มีตันหาเกิดขึ้นมาแตงแต่ว่ามันไม่มันไม่ดับอย่างถาวรเท่านั้นเองมันเป็นมันไม่ได้เป็นปัญญามันไม่ได้ไปถอนรากถอนโคนของความอยากคือความหลงการจะถอนรากถอนโคนของความอยาก คือความหลงต้องสอนความจริงว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์อย่าไปอยากได้ถ้าเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์มันก็จบมันไม่เห็นว่าเป็นทุกข์กันเหมือนเห็นว่าเป็นสุขกันเห็นว่าได้ภรรยาแล้วมีความสุขไม่เห็นว่าได้มาแล้วมาทะเลาะกันมามามากรัดกันมาแย่งสมบัติกันหรือทะเลาะ ก, กันก็เวลาตายจากกันก็เสียวอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ไม่เห็นความทุกข์เห็นแต่ความสุขเห็นด้านเดียว แล้วลอย่างเวลาที่เราคิดถึงออสุภาพนั้นคับอันนี้เป็นสมมติถือเเง่งแต่งก็ปรุงแต่งทั้งนั้นแหละเป็นสังขาร่ยแต่สังขารของมรรคเี่ยไปในทางมรรคทางปัญญาปุงแต่งตามความจริงความจริงที่เราพยายามเอาความไม่จริงมาปกปิดไว้เอาสัญญกรรมตกแต่งเอาเครื่องสำอางอะไรต่างๆมาปกปิดไว้เอาเน่าหงน้ำหอมมาปกไว้เนี่ย มันเพื่อปกปิดความจริงคือความไม่สวยงามความสกปรปกของร่างกายถ้าปล่อยให้ร่างกายมันเป็นตามความจริงมันไม่ค่อยจะเกิดการมตตาหาหรอกถ้าปล่อยให้มันไปดูความจริงตามเวลามันตายดูเนี้ยก็คือความจริงมีใครอยากจะนอนกับคนตายไหมแต่เวลาคนเป็นนี่มันยังปกปิดได้อาบน้ําได้ ใส่น้ำหอมได้หวีผ้าหวีผมได้แต่งคิ้วแต่งหน้าทาปากได้มันก็เลยไปปกปิดส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายก็เลยทําให้เกิดความหลงเกิดการบาลมขึ้นมาเราต้องลิกดูส่วนที่มันไม่สวยที่ถูกปกปิดเอาไว้มองทะลุเข้าไปข้างในใต้ผิวหนังได้ยิ่งดีถ้าผิวหนังมันสายเหมือนถุงพลาสติกนี่คิดดูสิว่าคนจะน่ารักไหม เเราต้องทําหนังให้มันเป็นพลาสติกให้ได้ต้องให้มันใสเป็นพลาสติกเห็นหน้าตาคนเราจะได้เห็นกระโหลกที่มันอยู่ข้างใต้ผิวหนังนี้มันไม่เห็นกันนี่ยมันถูกหนังบางๆปิดบังไว้หลอกไว้เห็นแล้วก็เคลิ้มตามไปเลยทําสูงรามก็เพราะไอ้หนังบางๆนี่แหละ นันถึงต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆการพิจารณาอะไรที่เป็นความจริงนี่เป็นเป็นมรรคเป็นเป็นธรรมพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นเป็นมรรคเป็นความจริงแต่ถ้าคิดถึงความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยเรียกว่าเป็นกิเลสคิดว่าเราจะอยู่เป็นานๆไม่เจ็บไล้ได้ป่วยเราจะสาวจะหนุ่มไปเรื่อยจะรูปร่างสวยงามไปเรื่อยอันนี้ เนื้ออยากจะให้มันสวยไปเรื่อยๆไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บเนี่ยมันก็เป็นความคิดที่ไม่ตรงกับความจริงพอมันตัวความจริงมันก็รับไม่ได้มันก็ทุกข์ขึ้นมามันก่อนมีคนมาเล่าให้ฟังว่าขนาดพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆพอไปเจอคนตายเขาจริงๆแล้วบอกว่ากิเลสมันยังขึ้นมาเลยพี่สาวตายอย่างกระทันหัน พอไปดูศกพี่สาวนี่มันมันไม่เป็นดูเบกคขาแล้วหรต้องกดมันไว้อาการทุกข์มันจะดังขึ้นมาทันทีนี่แหละความจริงกับความจำมันเป็นอย่างเงี้ยกับทําการบ้านกับการเข้าห้องสอบมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันเวลาเราคิดนี่เราคิดได้โอเ้เก่งเรารู้แก่ตั้งเก็บต้องตายอนัสุภาอะไรเงี้อย่างนี้พอไปดูคนตายเขาดูเนี่ แล้วดูจะเป็นยังไงไปดูก็ผ่าศพด้วูลองไปอยากจะดูวัชพักก็ไปที่โรงพยาบาลที่กอนนักศึกษาแพทย์ไปดูการผ่าศพดูว่าจิตใจเป็นยังไงเวลาดูของจริงคือถ้าเป็นคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องจะอีกอย่างครับพระอาจารย์ได้เห็นไหมคนระับจะไม่เหมือนกับศพอื่นนะครับทําทไมมันก็สมเหมือนกันอเลย ถ้าปิดหน้าไว้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นศพใครนะก็เราต่างกันที่หน้าตานี่เองนะส่วนอื่นนี่มันเหมือนกันหมดเนี่ถ้าปิดหน้าเราก็ไม่รู้เป็นร่างกายของใครแลติดอยู่ที่หน้านี่หลงกันที่หน้านเอาวันนี้คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนี้ม พูดกันมากก็เดี๋ยวจะกลายเป็นทาเมาไปก็ขอให้ทุกคนนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอานังไงพูกมาถึงแล้อะจะทามอะไรเหรอ อยากจะถามอะไรเหรอ่า้เคยไปที่วัดนึงจะกหับเขา็นงสมาแล้วบอกาออกกำลังแล้วก็พอนางไปสักพักให้ท้องหนอหรือท้องหายอย่างแล้วก็จะีการบอกมาว่าร้องไห้บ้างเปเป็นจก็ร้องัวนลแล้วก็ทุกอย่างมาคนกหลัมเป็นนางฟ้าเป็นอะไรทั้งวัดเสกยังเหนอเป็งนิคืออะไระมัน มันปมันบ้ากันเนี่ยไม่ใช่อะไรไม่ใช่เออมันไม่ใช่หรอกพอถูกเสี้ยมสอนให้ทําอะไรมันก็ทําไปอย่างนั้นเองก็เสแ้ยแงออกมาร้องเป็นเป็ดร้องวัวเป็นควายอะไรไปอ่ามันไม่มีอะไรหรอกพอถูกเสี้ยมสอนว่าให้ออกกรรมมันก็คิดว่าโอ้กูเคยเป็นวัวก็ต้องร้องเสียงวัวอะไรขึ้นมาไป คือเราก็เคยเกิดมาเป็นอะไรหลายอย่างมาี่แล้วเป็นก็เป็นภัยเศษมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้ว<ม>ปัจจุ บ, บันขอให้เราอย่าเป็นก็แล้วกันขอให้เราเป็นคนก็มีรักมีรักษาศีล<ม>ให้บริสุทใจบุญสนทานเราก็เป็นคนแต่แล้วว่าเขาก็มีอะไรของเขาแปลกๆไปไปตามความเชื่อของเขาเองการนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบ เพราะความสุขมันอยู่ตรงนั้นพอเรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำกรรมที่ไปทำกรรมเพราะมันไม่มีความสุขกันมันไม่นิ่งใจมันไม่นิ่งวันนี้เรฟังธรรมะครับก็ได้ปัญญาครับได้แก้ไขจิตใจตรวเองต่อไปครับได้ประโยชน์ไหมออ ฟังไปได้เลยนะเพราะธรรมะมันมีหลายแง่หลายมุมฟังแล้วบางทีก็ลืมได้ก็ต้องกลับมาฟังใหม่หรือฟังตามที่ในแทในแผนที่อัดไว้ก็ได้ต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆไม่งันเดี๋ยวหลงทางเหมือนการเดินทางต้องเปิดแผนที่ดูอยู่เรื่อยๆพอไม่เปิดแผนที่แล้วเดี๋ยวมันเลี้ยวผิดทางไม่ได้เ อ, อ, เ อ, อความเพียรที่สําคัญ ต้องทำไปจนกว่าจะสำเร็จนยเ ห, หมือนกินข้าวถ้ายังไม่อิ่มก็ต้องกินต่อไปอย่าไปหยุดกินถ้าหยุดกินแล้วมันก็จะไม่มีวันอิ่มนะเอ า, นะนนาเนอะ